พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาภพงมาพบ ก, กับท่านฟังกันแล้วนะคะที่สถานีทิทยุครอบครัวข่าวเตี๋ยวร้6แห่งนี้ค่ะเรามีพระพ บ, บูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโซดอนธานีนะคะที่จะมาให้ธรรมะ ก, กับพวกเราน้อมนำเอาพุทโธคณะเนี่ยคะ่ะมาทําความกระจ่างในเรื่องสิ่งที่พระศ า, าสดาสอนไว้ในหัวเวลาสัปดาห์นี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะเสมือนกับเราได้เดินทางติดตามพระอาจารย์และคณะไปแสวงบุญ ที่สังเวชนิยสถานซึ่งท่านเองเพิ่งกลับมาเมื่อสตดากอ น, นู่นแล้วก็มาเล่าถึงว่าที่นั่นคณะของท่านได้ไปทำอะไรบ้างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะการเดินทางกับคณะนี้จะให้เข้าถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ทำอะไรบ้างณนะที่นั้นแล้วตรัสถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณนะที่นั้นในลักษณะที่เป็นธรรมเอาไว้อย่างไรรายการนี้ช่วงต้นของรายการก่อนที่เราจะ ไปฟังในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคําสอนของพระศาสดาและเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็จะมีการให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสาปฏิบัติธรรมในช่วงต้นของรายการไปด้วยโดยการนําของพระอาจารย์ที่สอนปฏิบัติธรรมเป็นประจําทุกเดือ น, ท, อนทุกเดือนอยู่ที่วัดป่าดอนหายสุกร์ ด, ดอธานีนั่นะคือพระภัย บ, บุ์ที่เรากําลังจะไปพบท่านณนะนาทีต่อจากนี้ไปเนี่ยแหละคะ่ะกราวณสการกับท่านคะเจริญพาน ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นก็ให้เราตั้งสติเหนะมือนเดิมใน่จริงสติเนี่ยเราสามารถตั้งเอาไว้นะตั้งเอาไว้โดยการตั้งจิตเอาไวนะ้ณที่ใดที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งนี้ถ้าเรารวบรวมจิตเข้ามาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้แตนะ่เราจึงต้องมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอ้างอิงจุดที่เราจะมานึกถึงระลึกถึงเพื่อให้จิตใจที่มันไปคิดนั่นนี่ไปได้ยินเสียงไปคิดถึงสิ่งอดีอนาคต ให้มันมารวมกันอยู่หน้าที่จุดใดจุดหนึ่งนะอาการที่จิตมารวมกันอยู่หน้าที่จุดใดจุดหนึ่งนั่นคือกิริยาที่เรียกว่า ก, าการตั้งสติขึ้นแตนะ่ซึ่งการตั้งสตินี้เราสามารถใช้ลมหายใจของเรานะเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งขึ้นไดนะ้หรือว่าบางทีเราอาจจะใช้เรื่องของการระลึกถนะึงพระเจ้าในจิตแจ้งเราแทนที่จะไปรลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเรามานึกถึงคุณงามความดีของบุรนะเจ้านั่นก็เป็นพุทธานุสติเรามานึกถึงการปฏิบัติดีของตัวเราเอง การที่เรามีศีลมีสมาธิมีการให้การบริจาคนั่นก็เป็นศีลานุสติเป็นตน้นซึ่งวิธีการที่พระเาแนะนําแล้วก็ตัวพระองค์เองก็ใช้ในการก่อนการตรัสรู้เนี่ยก็คือการที่มาใช้ลมหายใจในเป็นฐานที่ตั้งในการที่จะให้จิตนั้นมาระลึกถึงมาตั้งขึ้นให้ได้โดยการที่เราให้มานึกถึงลมหายใจของเรา ใ, ให้จุดสมบัติที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมหายใจนั้นเป็นจุดหมายนะที่ตั้ง ที่ระลึกถึงให้ตั้งจิตรวบรวมจิตจดจ่อจิตของเราเอาไว้ณนะที่ตำแหน่งนี้มีในสมัยหนึ่งที่บุชาตอนนั้นแล้วก็อยู่กับ <c oughs> มีในสมัยหนึ่งที่บุชาตอนนั้นในะอยู่กับท่านพระนอนุนะทีเ่เมืองกุสินาระแลนะได้ตรายกับท่านพระนอนุนในเรื่องของการปฏิญญาผ่านของพระองค์บอกกับท่านพระนอนุนอย่างนี้บอกว่าอานอนุ์พวกเธออยากขวนขวาย จัดการบูชาศตรีระก่อนตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนคือการตั้งหน้าปฏิบัติเถิดจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเติร์ดอานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผูนั้นชื่อว่าย่อมสการะพุรพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่บูชาพบุตรเาด้วยการบูชาสูงสุดทีเดียวเสร็พอดค่ะสาธุค่ะเราก็ผ่านการปฏิบัติอย่างมีรูปแบบโดยท่านพรบูตรนั้นได้นําด้วยพระสูตร ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อันทำให้เราได้รับความรู้นะคะว่าถ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เคารพอย่างสูงสุดเราทำถูกหรือยังพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการบูชาอย่างสูงสุดปฏิบัติตามธรรมนะคะใช่ใชค่ะในเรื่องของการปริบิพ่านตอนนี้เรากำลังพางท่านผู้ฟังไปตามเส้นทางที่ตั ว, วมาแล้วก็คณะเนี่ย แล้วก็หลงพ่อด้วยได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียหลังจากที่ไปที่เมืองเวสาลีแล้วต่อไปก็ไปที่เมืองกุสินาราเป็นสถานที่ที่พระเจ้าปรินิพพานมีเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารมื้อสุดท้ายที่ก่อนที่พระเจ้าจะรับประทานก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานนะคือตอนนั้นป่วยอยู่อยู่ในพรรษานี้ก็ป่วยหนักมากแล้วที่เมืองเวสาลีแล้วก็ถึงกับถ่ายเป็นเลือด อ่าอจิมเป็นเลือดในลักษณะนั้นก็คืออายุมากแล้วนั่นเองแปดสิบปีแล้วแล้วก็หลังจากออกพรรษาก็เดินทางมาที่เมืองเบสาลีอย่างที่ว่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ่าพอมาถึงเมืองเบสาลีปรองอายุสังขาแล้วก็เดินทางต่อไปนะที่จะไปยังเมืองกุสิดนาระนะก่อนหน้านั้นก็ผ่านหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เราก็ได้ให้ธรรมะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ่าหลักในการที่จะรู้ถึงภาวะโสดบันของตัวเอง อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็พอมาถึงจุดที่เมืองกุสินาราเนี่ยก็ได้รับบินตบาบตของนายจุนทะกัมมาบุตรจุนทะกรมมรบุตรคือจริงๆรับประทานก่อนหน้านๆแล้วนําพอมาถึงเมืองกุสินาราเนี่ยต้องข้ามแม่น้ําหิรัญยวดีเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ได้พูดถึงนายจุนทะได้ให้พรนะคือหมายควาว่าตอนที่ทํารับประทานอาหารแล้วเนี่ยจะทําอาการนุโมทนา ก็ได้พูดคาถานี้นะคือเปล่งกุทานนี้บอกว่าบุญย่อมงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้รับเวินเสียได้นัคนฉลาดเท่านั้นละ บ, บาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะเรากพูดถึงประรบนชุนทะาว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นบาปแต่เป็นบุญอาหารมื้อสุดท้ายก็คือสูกรมัทะที่นายชุนท้าเตรียมเอาไวา้ ถ้าจะเปรียบเทียบกับอาหารมื้อก่อนที่จะตรัสรูน้นัก็คือนางวิสาขาถวายชื่ออาหารก็คือข้าวมุทุปยาต์อันนี้คือเปรียบเทียบกัน2คู่ตรงนี้ซึ่งสุกรมัถวะเนี่ยหลังจากที่ได้ไปหาข้อมูลทริปนี้ได้ข้อมูลดีมากนะคุณหยงติว๋วว่าจริงๆแล้วมันเป็นเห็ดประเภทหนึ่งท<อ>ี่หมูชอบกินหมูคือสุ ก, กรเนี่ยชอบกินเห็ดประเภทนี้แล้วเห็ดประเภทนี้เนี่ย ในช่วงต้นฤดูฝนมันมีริดเป็นพิษเข้ามาพบภายหลังริดเป็นพิษแต่ว่าหมูมันกินได้แต่เพดัะ น, นั้นตอนช่วงนั้นที่พระเจ้าจะปรินิพานเนี่ยคือเดือน6ไงเดือน6คือต้นฤดูฝ น, นซึ่งเหตุประเภทนี้ยังมีริดที่เป็นพิษอยู่แต่มันเป็นก็เหมือนเหมือนเห็ดเบื่ออะไรเงี้ยนะะเห็ดเมาเห็ดเมาลักษณะนั้นซึ่งแน่นอนลคนที่ระบบการย่อยมีปัญหาอยู่แล้วกินพวกนี้ไปมันก็ยากในการที่จะย่อยแต่ถ้าเลยเลยช่วงต้นของฤดูฝนไป นะพอดินมันลดความเค็มลงอะไรต่างๆลงเนี่ยเห็ดพวกนี้ก็มนุษย์ก็กินได้เหมือนกัน<ฮ>อ่าซึ่งซึ่งช่วงกลางฤดูฝนเขาก็เอาไปกินกันแต่นายชุนท่าจะไม่ทราบหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้นะว่าได้เอาเห็ดประเภทนี้มาถวายอาจจะเห็นหมูกินเฮ้มันกินได้ก็พวกเจ้าคงกินได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันมีริดเป็นพิษในช่วงต้นฤดูฝนท้ายฤ ด, ดูร้อนต้นฤ ด, ดูฝนประเภทนี้จะมีริดเป็นพิษอยู่เห็ดประเภทนี้ะซึ่งชาวบ้านเวลาเขาเห็นเห็ดประเภทนี้เขาก็จะเด็ดทิ้งก่อน เดตติ้งไม่ให้ใครไปกินจนกระทั่งเข้าสู่ฝนสักระยะหนึ่งสักสองสามฝนผ่านไปนั่ถึงก็ให้กินกันอ๋อค่ะนี่คืออาหารที่เรียกว่าสุกรมัถวะอเป็นซุปเห็ดประเภทหนึ่งค่ะเพื่นเองก็ถึงแก่ความกระจ่างหลังจากที่ท่องชื่ออาหารได้นะคะสุกรามัถ ว, วะตอนแรกยังคิดว่าเป็นอาหารที่ใส่เนื้อหมูเลยค่ะออ่เป็นเห็ดที่หมูชอบกินกค่ะก็ยังมีหมูเหมือนกันเพียง <yar> แต่ไม่ใช่เนื้อหมู <Yeah> <t> แต่หมูชอบกินเห็ดนี้ถูกต้องถูกต้องนะคะอืม ตอ น, นี้พอระพุทธเจ้าไปถึงเมืองกุสินาราก็อย่างเรื่องราวที่เราทราบนั่นแหละรายละเอียดเช่นว่าอยากดื่มน้าไม่ได้ดื่มมีเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านมาผ่านไปอะไรต่างๆในนิสิตน้ําก็ใส่ได้เดือมน้ำํำเราก็หลังจากนั้นข้ามแม่น้ําหีรันยวดีเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าส่งน้ำํำส่งน้ําซึ่งเป็นการเป็นการบอกครั้งเดียวที่ที่ว่าส่งน้ําอ่ะก็ไม่มีที่อื่นที่บอกว่าพระพุทธเจ้าส่งน้ําน ะ, ะก็มีตรงเนี้ย แล้วก็ตอนก่อนตอนก่อนการตรัสรู้ก็ไม่แน่ใจว่าพระเย้าส่งน้าหรือเปล่าแต่ตรงเนี้บอกแน่นอนว่าส่งน้ําแล้วพอส่งน้ําเสร็จปุ๊บนะขึ้นมานั่งพักได้ผ้าผืนใหม่นะขึ้นแหมมันลงตัวเป๊ะเลยนะคุณโยมเตี้ยกินอาหารเรียบร้อยนะอาบน้ําเรียบร้อยได้ห่มผ้าใหม่แล้วจะไปปฏิบัติกานแม่มันสุดยอดจริงๆนะมาวะอ่าเราก็เพื่อผ้าผืนใหม่นี่ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะคุณโยมเตี้ยเป็นผ้าสิงขี เป็นผ้าสิงคีก็คือผ้าที่มีเป็นเนื้อละเอียดสีเหมือนทองคําสิงคีเนี่ยเป็นทองสิงขีชนิดที่เผาด้วยความร้อนสูงสีมันจะแจ่มๆหน่อย ใ, ในอินเดียเนี่ยเขามีผ้าชนิดที่เรียกว่าเอาเอาทองคำเนี่ยมาทำเป็นเป็นเทรดเป็นได้แล้วก็ทอเข้าไปในเนื้อฝ้ายเปนทองคําที่ดีมากเวลาผ้าประเภทนี้เวลาที่จ ะ, ะผ้าสิงขีจริงๆเนี่ยนะทำเป็นผ้าใหยหินเนี่ยเวลาซักไม่ได้ไปซักน้ำนะแต่เผาไฟาเอา เผาไฟเอาให้ความร้อนเนี่ยมันกําจัดสิ่งสโสบออกไปแล้วเป็นใยญ่หินมันไม่ไหม้ไฟเป็นลักษณะแต่ว่าผ้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้รับตอนนั้นเนี่ยจากนายปุกุสานเนี่ยเป็นเป็นผ้าเนื้อละเอียดที่มีสีเหมือนทองสิงค์หวายกันค่ะเท่ากับว่าเป็นโอกาสพิเศษด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าปกติแล้วอย่างกับอันนี้ฉันเข้าใจถูกหรือผิดไม่ทราบนะคะที่ว่าผ้าสําหรับพระสงฆ์ซึ่งน่าจะรวมหมายถึงพระพุทธองด้วยที่ว่าเป็น ผ้าที่ใส่อยู่เนี่ย น, นะคะอสบงจีวรสังฆาติเนี่ยจะมีได้แค่ชุดเดียวถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะนี่นี่เท่ากับโอกาสพิเศษสิคะเพราะว่าไม่เห็นพูดมาก่อนว่าผ้าที่ใส่เป็นประจำนั่นคือผ้าสิงครีหรือเปล่าเออก็คงจะเป็นอย่างนั้นใช่เป็นโอกาสพิเศษนะในในความเห็นอาจมาเพราะว่าผ้าใหม่นะพุทธเจ้าก็คงจะเปลี่ยนผ้านะาาผ้าผืนเก่าสละออกเอาผ้าผืนนี้ใส่แทนนะท่านพระราชนก็ได้รับผืนหนึ่งเหมือนกัน นะสุดท้ายท่านพระอนุลก็เลยเอาน้อไปถวายพระรูปเจ้าทั้งสองผืนนะเห็นความจำจรัดของผิวพันวันณาของพระรูปเจ้าว่าขนาดท้องผ้าที่มีสีเหมือนทองสิงคีเนี่ยยังสีจืดไปเลยถ้าถ้าเห็นสีผิวของพระรูปเจ้ามาเป ร, เรียบเทียบกันตรงนั้นนะซึ่งพระรูปเจ้าก็เลยบอกว่าเขาจะปริทินผ่านคืนนี้ละเพราะฉะนั้ น, ะน ค, คืนก่อนการปริทินผ่านกับคืนก่อนการตรัสรู้เนี่ยผิวฉันจะเป็นอย่างนี้อ๋อค่ะเพราะเพราะว่าดูเหมือนกับมีพุทธพจน์อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่ ได้พูดเหมือนกับว่าพระนน์เนี่ยเห็นผิวของพระเจ้าเขียวมีช่วงหนึ่งใีชั้นใจใช่ใช่ใช่แต่ก่อน <c oughs> หน้านี้ถูกไหมคะคือวันนั้นแหละคือคืนนั้นแหละคือหลังจากที่การข้าแม่น้ำฮิรัญยวดีแล้วสงน้ำแล้วได้ผ้าผืนใหม่แล้วสังเกตเห็นว่าผ้าเนี่ยยังสีหม่นลงไปเมื่อเทียบกับผิวพันธุ์ของพระเจ้าค่ะแล้วก็ไปถึงเมืองอเมืองกุสินาราใช่ไหมที่ ระหว่างต้นสาราคุกก็เลยให้ตั้งเตียงปรินิพพานะการนอนตรงนั้นก็เป็นการประทับศรียาสยาครั้งสุดท้ายของพุทธเจ้านั่นเะองพอพอนอนปุ๊บเนี่ยก็มีดอกบันะลลังก์รบลอยโปรยลงมามีกลิ่นหอมมีเสียงดนตรีที่เป็นเสียงของอลูกน้องของทา้าวสกะเทวราชนะมาจัดการให้นะคือมันก็มีเรื่องเล่ากันมาว่าทา้าวสกะเทวราชก็ปิดสวรรค์เลยมาเพื่อที่จะมาทําการบูชาพระพุทธเจ้า นะซึ่งพระเจ้าก็ตรัสในที่นั้นบอกว่าการบูชาแม้อย่างนี้เนี่ยด้วยของหอมเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ชื่อว่าเราได้รับการบูชาสูงสุดแต่การบูชาสูงสุดก็คือภิกษุภิกษุณีเนี่ยปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นั่นถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาสูงสุดทีเดียวซึ่งตอนนั้นก็มีหลายคนที่มีความเสียใจอย่างเช่นพระนอนุทเป็นต้นท่านพระเจ้าก็เลยเตือนท่านพระนอนุทอยู่เรื่อยๆแหละ ว, ว่าการที่เราจะให้สังขารนี้เป็นไปตามอย่างที่เราหวังนี่มันไม่ได้ พวกที่มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นได้ก็เห็นความไม่เที่ยงผูนะท้ที่เศร้าโศกยังเป็นปุถุชนอยู่ก็นอนกลิ่งกะเหลือกร้องไห้น้ำตานองหน้าก็เป็นกิริยาต่างๆกันไปนะเทวดาก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้พูดถึงวิธีการที่จะจัดการบูชาสรีรัชของพระองค์นะว่าพวกพิสูจน์เนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะเพราะว่ามีคนดีเขาจะทาให้อยู่พวกพิสูจน์เนี่ยควรจะ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนนั่นคือการตั้งหน้าปฏิบัตินั่นคือบอกพระ้า น, น์นเลยละ่ะพระ้า น, น์นยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ตอนนั้นน่ะ<า>เป็นส่วนด้านอยู่ค่ะก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการที่จะต้องเร่งปฏิบัติมากกว่า ก, าการที่จะมาทำพระศพของพระพุทโธงเสียอีก S <S แม้พระเจาเนี่ยเป็นผู้ที่สอนจริงๆเลยนะคุณโยมพี่แม้แต่ตอนจะเสียชีวิตอน จ, จันทร์ฤกษิปักก็ยังสอนคนให้บรรลุปเป็นอราหันต์ได้กิดดู <S <S สอนพระานนท์สอนสุภัท t ปริพาชกให้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นได้ข อ, อ, อคือทั้งสองเฉพาะรูปเฉพาะท่านสุภท t ป ร, ริพาชกนับรรลุปเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นส่วนท่านพระอนก็เตือนให้ท่านพระอนนทเนี่ยอย่าประมาทซึ่งท่านพระอานนท์ก็จะ บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอีกเจวันถัดไปหลังจากที่ปริมิพานแล้วใช่ใช่แล้วก็บุรุชา่างบอกว่าเมืองแห่งนี้เมืองกุสินาราเนี่ยเมื่อก่อนชื่อเมืองกุสาวดีเนะีเมืองกุสาวดีเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิมีดนตรีมีเครื่องบูชามีอะไรต่างๆคนเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ด้ย่อนถ้าเปรียบเทียบก็คือมีแสงสว่างตลอดคืนเนะมีเสียงดังตลอดคืนตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะมีคนอยู่เยอะ แล้วผูชว่วก็บอกว่านี่แหละเมืองนี้แหละเป็นราชธานีของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นแล้วก็พระองค์บอกว่ารู้ว่าตรงนี้คือที่ที่ฝังศตรีลักษ์ของพระองค์หลการทอดทิ้งร่างเนื้อแผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งที่7และเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ยังบอกว่าไม่เล็งเห็นประเทศไหนใ น, ในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่ในตถาคตจะต้องไปทิ้งร่างอีกเป็นครั้งที่ 8. แปดไม่มีตรงนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่นี่ ก็คือแผ่นดินที่เราไปฟังธรรมะที่เราไปนั่งสมาธิกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเ<ะ>ป็นอย่างนั้นค่ะเธอบอกว่าพระพุธองค์ที่ว่าเส็จครั้งก่อนหน้านั้นก็หมายถึงว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ที่ปรินิพานถูกไหมคะถูกต้องหกครั้งก่อนหน้านั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เ็จอ๋อเหรอคะอ๋ะ อ, อไม่มีครั้งที่แปไม่มีครั้งที่แปใช่ค่ะค่ะนะค ะ, ะสำหรับท่านที่เคยไปยังเมืองกุสินารา ก็อาจจะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะนะคะจากการที่ท่านพิบุลได้หยิบยกเอาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังวันนั้นที่นั่นได้มีโอกาสนั่งสมาธิกันเยอะไหมคะก็ชั่วโมงหนึ่งนนี้เราเป็นมาตรฐานอยู่ล่ะอ๋อชั่วโมงหนึ่งแต่ละที่จะให้เลยใช่ค่ะแล้วในหนึ่งชั่วโมงนั้นก็จะจัดประสวดอะไรที่มันเรื่องราวอยู่ที่นี่ในนี้นะให้มันพอดีพอดีไปบวกลบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันได้ยิน ก็ไปแอบแอบถามผู้ร่วมคณะกับท่านเนี่ยนะะาบางคนก็ไปเจอด้วยความบังเอิญก็จะพูดในทางเดียวกันถ้าเอาแค่บอกว่าดีไม่ดีเนี่ยโอ้โหแสดงอาการซราบซึ้งประทับใจมากดีดีบางคนก็เล่าไม่ถูกว่าดียังไงนะคะรู้ถต่ว่าดีมากแต่ก็ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนอื่นว่าการไป น, นั่งปฏิบัติที่สังเวชนียสถานเนี่ยจะได้สมาธิที่ดีกว่าที่เคยนั่งผ่า น, านมานะะบางคนบางค น, บางคนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไห ค่ะที่ดิฉันฟังคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าไปแอบเก็บตกประสบการณ์ของผู้ที่ร่วมคณะบางคนนะคะแล้วก็บอกว่าบ้างก็บอกว่าเพิ่งมาเข้าใจว่าตาทิปเป็นอย่างไรน่าสนใจมากนะคะบ้างก็บอกว่านั่งไปแล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่าตรงนั้นครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้พระเจ้าอะไรในสมัยนั้นเนี่ยนั่งอยู่พระสมแข็นั่งอยู่ จริงๆก็เป็นยังไงท่านคะท่านได้พบประสบการณ์อะไรที่พิเศษหรือล่าคะคือเวลาที่เราเข้าสมาธิแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปด้วยบางที่ก็จินตนาการตามนั่นแหละโยมติวนะคือที่เขาเห็นเนี่ยอาจจะเห็นจริงๆก็ไดนะ้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เขาจินตนาการปรุงแต่งในใจมันก็จะเป็นได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าคือย่างสมมุติถ้าคนจะมีตาทิพย์เนี่ยก็ด้วยเหตุคือสมาธินะ แ, แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีความสามารถพิเศษตรงนี้ก็อาจจะจินตนาการตามเรื่องที่พุะเจ้าเล่ามาเนะก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างนั่นเอง อืมค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีเพื่อนได้ไปใช้เวลาที่คนอื่นยังไม่ตื่นกันเนี่ยนะคะไปนั่งสมาธิใต้ต้นโพแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังว่านะมันเป็นความพิเศษมาก เนื้อสิ่งอื่นใดจนทําให้คนที่ไม่ได้ไปแล้วรู้เรื่องว่าได้ผลกันอย่างนี้นี่เสียดายมากต้องไปนั่งดึกๆอย่างนั้นถึงจะได้หรือเปล่าคะค่อนรุ่งตีสามตีสี่คือในยามสุดท้ายของราตรีหรือว่าในยามแรกของราตรีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันจะค่อนข้างเงียบสงัดนิดหนึ่งในในความเห็นธรมาแล้วก็สถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยก็อาจจะทําให้คนที่เขาไปนั่งได้สมาธิอันนี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นก็บางคนใช่จช่ไม่ทุกคน แล้วก็เรื่องของคนนั้นนะ่ะแกอีกอย่า ง, งค่ะท่านค่ะก็เล่าให้ฟังว่าได้มีการนําเอาสิ่งของจากเมืองไทยไปบริจาคทานโดยทานที่ว่าเนี่ยจะให้กับผู้ที่มาสแสวงบุญส่วนใหญ่แล้วก็จะมอบให้หรือว่าถวายให้กับพระภิกษุจากนานาชาติเช่นลามะจากทิเบตที่มาไหว้แบบ เข า, เวาว่าไหว้แบบอะไรนะครที่ทอดตัวไปกับพื้นเอ่อมาไม่แน่ใจเอ่ะจาไม่ได้อะค่ะก็จะอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาบอกว่าต้องเตรียมแบบนี้ไปนะเพราะว่าจะทําให้ครบถ้วนกับองค์ประกอบอันจะเอื้อกับการที่ทําให้ได้สมาธิมากเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าจะต้องมีทานที่จะทําให้เกิดความปิติอิ่มใจและจะทาให้เกิดสมาธิง่ายอืมก็แน่นอนทานก็เป็ น, นการหนุนเรื่องศีลศีล ก, ก็หนุนเรื่องของการภาวนาการทําสมาธิได้แนะ่ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการปรินิพพานของพระเจ้าแต่ว่าเรื่องรายละเอียดการปรินิพพานเข้าชานหนึ่งสองสถึงแอะไรต่างๆนี่เราทราบกันดีอยู่แล้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เล่าให้ฟังที่นั้นด้วยนะหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจจะไม่เคยได้ฟังกันนะก็คือว่าหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วนะใครพูดอะไรบ้างคใครพูดอะไรบ้างก็ในที่นั้นมี3บดีพรมก็ได้กล่าวคาถาขึ้นมา เท้าสามท้าสามปดีพรหมก็องค์ที่มานิมนต์พระเจ้าให้สแสดงธรรมนละแล้วก็เท้าสั ก, กเทวราช ก, ก็ได้กล่าวคาถาขึ้นมาแม้แต่ท่านพระอนุรุทธะหยู่ที่นั่นสังเกตเห็นอยู่ว่าพระเจ้าหลับตาไปแล้วเนี่ยปรินิพานหรือยังปรินิพานหรือยังเข้าชั้นไหนชั้นไหนเนี่ยท่านพระอนุรุทธะตามดูตามดูตามดูย่จนกระทั่งพระเจ้าละกายนี้นปรินิพานแล้วเนี่ยนี่คือคาถาที่ท่านพระอนุรุทธะกล่าวขึ้นน่าสนใจท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่า ลมหายใจเข้าหายใจออกมีได้มีแล้วแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีจิตตั้งมั่นคงที่พระผู้มีพระภาคมีจักษุไม่ทรงหวั่นไหวทรงปรารบสันติปรนนิพัทธ์แล้วพระผู้มีพระภาคมีจิตไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเมตนาเสียได้ความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนความดับแห่งประทีปฉะนั้น อันนี้คือคาถาี่ท่านพระนุรุตตาได้กล่าวไว้ที่นั้นคงเฝ้าคอยดูแล้วสังเกตว่าหยุดหายใจหรือยังใช่ใชแต่ว่าตรงที่ฉันคิดว่าเหมือนกับมีสติเวทนาเหรอคะเมื่อสักครู่ใช้คําว่าอดกลั้นเวทนาอดกลั้นเวทนานั่นหมายความว่าพระพุทธองค์ก็ทรงจะเจ็บปวดจากอาการป่วยหรือว่ามีอาการที่ไม่สบายก็คิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าตั้งแต่พรรษาก่อนที่เมืองเวสารีเนี่ยก็ป่วยได้รับทุกขเวทนาอย่างมาก ท่านระนุ่ก็ยังยกย่องพระรูชาว่าเป็นผู้ที่อดกลั้นต่อเวทนาได้มากทีเดียวเท่ากับเป็นการบอกว่าพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าอาการทางกายนั้นก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของสังขารแต่ว่าสําหรับเรื่องทางจิตเนี่ยแยกอีกทางหนึ่งใช่คือเวทนาเนี่ยเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้แน่แต่ใจไม่มีบาปเกิดขึ้นค่ะมันสบายตรงนี้ ก็จะได้รู้จักพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนก็ยังสงสัยอยู่ดิฉันเห็นหนังสือหรือว่าในเว็บไซต์เนี่ยบางทีเขาตั้งคำถามนะคะว่าสรุปแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆหรือไม่ก็ยังไม่ไว้ย่จสงสัยถ้าฟังแบบนี้นี่เป็นคนแท้ๆธรรมดาเลยนะคะทันตางปรษาสมันมีให้มีความเชื่อไปอย่างนั้นนะมาค่ะแล้วก็ที่ตรัสเล่า เอาไว้อันนี้ใครเล่าล่ะคะท่านคะพระเจนช่วงสุดท้ายเอ่อหลังจากที่ตรงนี้ก็ท่านพระอนุนนั่นแหละเล่าอ๋อค่ะคือพระสูตรเนี้ยจะขึ้นด้วยข้าพเจ้าอนุเทระได้ฟังมาแล้วอย่างนี้นี่คื อ, อ, อท่านอนุนเล่าอ๋อค่ะก็เท่ากับว่าพระอนุที่รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์<ช>ก็ได้เล่าให้พวกเราได้รู้ว่าพระพุทธองค์ก็เป็นคนธรรมดาแบบพวกเรานี่แหละในส่วนของเรื่องสังฐานแล้วก็มีอาการ ต่างๆซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเพียงแต่เรื่องทางจิตนั้นท่านแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงใช่นะคะนะค่ะเพราะฉะนั้นในในเรื่องนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของตั้งแต่ไล่มาอย่างตั้งแต่การปรองยุสังขารการบรินิพพานแล้วล้วก็จะมีที่อื่นที่เราได้ไปเยือนเช่นการประสูติหรือการแสดงธรรมจักซึ่งคิดว่า รายละเอีนั้นก็พระสูตอย่างที่เราทราบๆกันนั่นเองมันจะเป็นลักษณะเดียวกันที่มีการนั่งสมาธ์แล้วก็สาธยายพระสูตใน้ฟังค่ะแต่นั้นก็อยากจะพูดต่อหน้าท่านพิบูลก่อนที่จะลาท่านเนี่ยแหละนะคะว่าเราอาจจะเล่าเป็นแบบสรุปยออ่อแล้วก็มาบอกว่ามีความผิดแปกแตกต่างจากที่เชื่อว่าคณะอื่นๆที่ผ่านไปไม่ได้ทำนะคะนั่นก็คือแทนที่จะเล่าพุทธประวัติของพระพุทธองค์หรือความสําคัญของสถานที่นั้นาตามความรู้ความเข้าใจ ของผู้ที่นําชมแต่ว่าเป็นการที่นอกเหนือจากนั้นยังได้ตอกย้ําให้มีน้ําหนักด้วยสิ่งที่พระพุทธองตรัสเล่ารวมไปถึงพระสูตรอื่นๆด้วยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับที่นั่นแล้วก็เน้นให้ปฏิบัติกันเป็นหลักประกอบกับพระสูตรเหล่านี้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องรวมแล้วมีกี่พระสูตรคะท่านคะทั้งหมดทั้งคณะที่ไปโอ้หนังสือก็ประมาณสัก300หนะ้าคุณยมเตีย <laughs> ฉันได้ยินว่า ระหว่างทางจากเมืองไปเมืองซึ่งนั่งรถกันเห็นบอกว่ารวมแล้วหกสิบชั่วโมงอัตมาก็ไม่แน่ใจแต่ว่าวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงอ่ะสี่ห้าชั่วโมงบ้างแปดชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยก็มีการเปิดประสูตินี้ให้ฝังกันไทรถกันอย่างเต็มที่เรียกว่าใช้เวลาคุ้มค่าแล้วเองก็พลาดงวดนี้ไปแล้วคราวหน้าจะจดจ้องใหม่นะคะพอดีช่วงนี้ต้องขอประทานโทษจริงว่า เหตปัจจัยไม่เก <laughs> <pop anden favour> <laughs> ื้อหนุนนะคะก็กล่าวในมหการขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเฉยพานเฉยพานค่ะท่านฝั่งข้างและนี้ก็คือพระไปบุญที่ปุณโญจตวรรปาดอนไฮโซดอนธานีนะคะท่านก็ได้นําอาพุทธพจน์ของพระศาสดาที่เกี่ยวข้องกับการไปเยือนสังเวชนียสถานแล้วก็ได้เล่าเรื่องการที่คณะของท่านได้ไปอย่างสถานที่สําคัญของพระพุทธเจ้าให้กับพวกเราได้ฟังในหนึ่งอาทิตย์ ส่วนรายการสนสนทนาที่นําเสนอเรื่องราวพวกนี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าพระภิบุตรนั้นเนี่ยนะคะเป็นประสงค์ที่ทําหน้าที่ของพระภิกษุอย่างเต็มที่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะท่านได้สอนทางสื่อต่างๆรวมถึงรายการของดิฉันแล้วก็ในแต่ละเดือนที่วัดป่าดอนไฮโซดอนธานีที่มีหลวงพ่อดรสะอาดเป็นท่านเจ้าอาวาสนั่นก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเลยสถานที่สัปปายะและผู้ที่ไปที่นั่น ก็สามารถที่จะใช้เวลาในการที่จะเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาด้วยการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้ในสัปดาห์หน้านะคะคงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ล่ะค่ะ พ, พุทธวัตสวัสดีค่ะ